ทั้งโลกมีคําพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคําพูดจึงเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่านั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นบอกความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเอง มีแตความจิตหายเต็มหัวใจ ừ. ทางทั้งที่ตัวจิตก็คือตัวภพอยู่แล้วดันั้นมันก็ปิดบงังตัวเองอยู่นั่นให้เกิดความรู้ความเห็นไปาาบาตรพบหน้าพุทธนาชันนามีขอให้เป็นอย่างนั้นอ่พูดทีว่าพบหน้าชาันนามนั้นแทคือตัวภพตัวชาติตัวเกิด ตัวตายมาโดยลําดับคํานาต่อเนื่องเหมือ น, นกับก้าวขาเดินนี่เอนท่านเรียกว่าอวิชชาวิชชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่นี่แหะที่ว่ารู้ที่อะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆ ซึ่งเป็นความจริงเหมือนนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอาัพยึกชาไม่รู้แจ้งเจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นดีทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วๆไปท่านจงเรียกว่าอาัพยึกชามันปิดบงังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างเราท่านๆ น, นี่เอง ท่านเรียกว่าอะยุตชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้ไอ้กิเลสวัตถ์วนมันครอบเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็ควรจะรืถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอยู่นี้ให้เห็นตามความจริงที่มีที่เป็นอยู่ ทั้งภายนอกภายในมีวิชาของรพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิสชิกเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็มีธรรมะของรพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแลเครื่องมือก็คือมรรคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัจิมาปฏิปทา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 พอพูอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระถา่ายชาติติดยูคาชาลาติดยูคาเมนามปิ้ ข, ขังโถกับไปรตเทวทูตโถมนั้นไปชาติติดยูคาเนมันเต็มอยู่ด้วยในธาตุใ น, ในขันของสัตว์และบุคคลทั่วๆไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบเรื่องสมมุติอย่างกว้างขวางละเอียดละออเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีาศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ ที่จะพื่ปฏิบัติขอพระเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้ในอายศะศาสีนันแสดงไว้ในธรรมจากปวัตตนสูตรสมุทยัยอายัศา จ, จังคืออะไรนั่นที่ราคาจางคาตาตตะตระยานินเนเซ่ออยที่ดากามตัญหาภระวตันหาวิภวตัญหาแนวสามอย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ของ ที่เละทั้งหลายมันแสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้แสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่สั้นแสดงนั้นะทอาแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับกจิตกับร่างกายของเรานี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาติเป็นดุขาชราติเป็นดุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์หมายถึงจิตใจผู้รทราบนั่นเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ ทางกายจะไปรู้เรื่องของเราอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับสราบให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติปิตุขาคือจิตผู้มาก่อขมเนรุเปิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามชาลาปิตกขา เมื่นำปทุกขังแล้วเกิดก็เป็นทุกข์แก่ชราคาั้งภาคก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เห็นโทษแห่งความทุกข์นี้เพื่อจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไมไ่เพื่ออะไรอ่างท่านที่แสดงไว้ในอไรอ น, นันตตละกนัตสุก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเจ็ดแทงสิ่งนี้เจ็ดแทง เป็นไปเพื่ออภาิภาตเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออภาิภาตอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจอนุรักข์เคราะทั้งหมดคอยให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตนนี้ที่ไปเกี่ยวข้ อ, ของรือไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยเทศไม่ในนี้จากจิต เ, เทศอยู่ในจิตรุ่นล้วนในข้อที่สามเทานั้น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 ต้องเป็นหัวหน้างานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้างานไม่ได้ทำให้งานแหลกเลี้ยวผลตีไปหมดผลจะได้ทำไม่ค่อยมีแล้วยังทํางานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้างานอ น, นี้ในมรรคแปลก็สมมาทิฏฐิสามาสมาสัมมาสังกรประหมายถึงปัญญาเป็นผู้นำํำสัมมากรรมวาจาสัมมากราามาราามราาันตาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสัมมาทติสัมมาสมาธิ ก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสมาสติคือระลึกชอบระลึกชอบระลึกที่ไหนเนี่ยระลึกชอบใคยๆก็ทราบบอกคำว่าชอบคืออะไรเนี่ยแล้วระลึกที่ไหนจึงจะเรียกว่าชอบระลึกอยู่ในในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมเหน่พอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงที่นี่ สมาสมาธิเมื่อเราลือกชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมาเจะรู้เล่นรู้นี้หลอกลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมและการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมักแปดเรานี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานรือว่าการทําพระนิพพานให้แจ้งก็ทําด้วยข้ออปฏิบัติ ด้วยสมมาทิสิติสัมมาสังโปจะกระทั่งสัมมาสมาธินีอาการแห่งการกระทําทั้งแปดนี้เป็นอาการที่จะทํานิพพานให้แจ้งทา ง, งังนิโรดนิโรดคือความดับทุกมันดับได้ถ้าถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้ทำไมใช้ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับจะบ่นวันดังคํำคืนยังลงก่อยิย่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลําบากขึ้นอื่น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 หายเท่าสิ่งที่เป็นวัฏฏะออกที่วัฏฏะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเหยียบพืชฐานที่ที่โรคลุงรังแล้วถากถ า, างต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เตือนร่งขึ้นมาในฐานที่โบคลุงรังนั่นแหละจิตเวลาองนี้มันโบคลุงรังด้วยอะไรความโรค ก, ก็อยุดท่าผมอยู่ที่จิตปกคลุมที่จิตความโกรธความหลง จิเลตน้อยใหญ่มันปกคุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของจิเลสไม่ใช่ตัวกิเลตจริงมันปกคุมอยู่ที่นี่ท่านจิตใจมีความเกี่ยวเนื่องกับอะไรท่านก็สอนแยกแยกไปให้เห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องจนพิจารณาเรื่องรูปเสียงเรื่องกื่นเรื่องรถมันเป็นอะไรมันจึงไปติดไปพันไป เนื้อใครชอบใจหรือเกลียดชังต่างๆ แ, แยกดูนั้น แ, แยกดูจิตทั้งตัวเองสอนไปข้างนอกก็เพื่อใจใรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลําดับธรรมะทั้งหมดจริงๆรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทางนั้นเพราะใจเป็นตัวการน้าคัญหรือว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีหละจอมปราดก็คือใจเมื่อทําละสิ่งที่โง่เขา ออกจากขิดใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำหนับลำหนักความโง่กออกอยังชื่นเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มภูมิอันที่สอนน่ะพิจารณาที่นี่ชาติปีตูขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเหล่านี้เกิดมาเนี้ยมันเป็นยังไงมันประกอบความมุ่นหมายอะไรกับเราบ้างเร้เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืนเดินๆน น, นั่งนอนมีแต่การเปลี่ยน หรืบรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไ่หาเดินเดินก็เปลี่ยนไปหายืนไปหานอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในียบทดใดบทหนึ่ง น, น, นานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นียบทจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้อาจจะเทียบปูมาแล้วก็เหมือนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะ่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติด บ, บนฝ่ามือไปเรื่อยๆ มันร้อนอพองไปหมดไหม้ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลรงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรรเทาเนี่ยเดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อ ย, ย, นอยจอนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบันเทากันได้ในขณะที่โยนผ่านไปออกจากฝ่า ม, มือของเร า, ากว่ออาจะตกมาอีกก็พอบันเทาไปนิดนจนกระทั่งถึงที่พี่สลัดปัดทิ้งเนีอันนี้ก็เหมือนการท่าดันอันนี้ เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับโยนถ่านไฟขึ้นบนอ า, อากาศนะเดินนั่งนอนถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองไงแหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลาบากในร่างกายยืินนานๆก็ลําบากเดินนานก็ลาบา ก, า ก, บากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงวันตายนานที่ดูสิวันตายนี่แหละวันสลัดปัดถึง จะปัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่มีธาตุขันนี่เราจะพิจารณาอย่างไงเวลานิกิปของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเอา้าพิจารณาลงดิ์ปัญญามีไว้เพื่ออะไรหมนต้มแกงกินก็ไม่ได้เมาไว้สําหรับแก้สิ่งที่งมงายสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ตรงนี้เอา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 วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทําได้ยากอันเป็เรื่องของกรรมฐานเนี่ยอยงที่เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสารทจันมั่นกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานน่นก ร, รมมาแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายนานารู้วัตตาสงสารออกภาในจิตใจได้ใใจากการพิจารณากรรมฐาน เป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานหรอออะะือพบหชือท้าหรือวัดหรือวัฏสงสารหรือกิเลสที่หาออกจากจิตใจของตนให้กายเป็นนิวริตต์ขึ้นมาภายในใปิตใจยิ่งเป็นงานที่ทยากต้องหาที่พทําเลที่เหมาะสมนีม่เป็นสิ่งสําคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความพัภาคยันในวันห น, นึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทําเลที่มาเหมา ะ, ม ะ, มะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพทุทธเจ้าสอนภาษาวก เวลาที่บวชแล้ว่ลุกขมูลแท่นนาสนางเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามใดป่าใดเขาลูกขมูลล้มไม้ในถา้าในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบตามกิเลสให้อยู่ในเงื่อมือลึกให้มันสิ้นซากไปจา ก, ก จ, จิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่เลยคํานึงคํานวณ น, นี่แต่ว่าการประกอบความภากเพียรอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลส อ, อาสะวะ ไปโดยลํำดับลาดับสถ า, านที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รือถอนีิเลศด้วยกรรมาฐานคืองานอันใหญ่โต น, นี้พระพุทธเจ้าท่าสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมพระบวชมาองค์ใดก็ตามอุป a า h a ไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นนาแสดังเป็นตน้นสอนลูกขมูลร่มไม้เที่ยวตามป่าตามเขาสอนให้บิขาบานขบะหาด้วยกําลังตีแข่งของตน เป็นงานชอบทําอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการสแสดงหาสแสดงหาโดยวิธีอื่นๆ น, นี่ท่านก็สอนไว้อาญเตปโตนั่นต่างต่างเลยมีบาดของเธอหรือมีบาดของเจ้านะนั่นท่านบอกไว้เลยทั้งๆ ท, ท, ที่บาก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาดของเจ้านะนีให้ประทับใจลงไปอีกทีนึงบอกทําใหม่ว่าบาดของเจ้านะนี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 ท่านเพงสอนว่าอายันเตปตโตไม่สําคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอก อ, อายังสังคาติเนี่ยอายังอุตราสั ง, งโกอายังอันตรวาสโกนี่สะบงนี่กีวรนนี่พาสังคาติท่านนี่บาดนี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นมาบริหารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำํำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสําคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรให้นี่ ใช่สั่งสมนั้นสังสมนี่หาัน้นหานี้ท่านไมน่ได้ว่าท่านบอกลงในจุดสําคัญขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นื้กระเช้บอกสถานที่ไปลรกขโมนลมไม้ตามชายป่าชาเขาไปห า, หาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสำน้ธรรมนี่ในขั้งกุตการสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบปําเพ็ญเพียรด้วยความแก้วกล้าสามารถ ในทางความเพียรและทางสติปัญญาก็จะรื้อถอนกิเหลือกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการหรือยุทธวิธีแบบนี้ในสถ า, านที่เช่นนั้นเป็นสถ า, านที่เหมาะสมที่สุดอ น, อนสอนจะวงจีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายิ่งกว่านั้นเหลือเพื่อพลุนพลัง มีบาทใบหนึ่งเอาไปมีเท่านั้นล่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดแหมไปไหนก็สบายไม่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดู่การกินยุ่งไปหมดแหมเลยยุย่งแต่เรื่องดู่เรื่องกินไม่การที่ยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการค่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มี ม, มีแต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั่นเตรียม น, น, ยมนี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้ แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี้กิเลสตัวไหนจะหายลงหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากแค่แตกลูกแตกหลานขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดตั้งแต่กิเลสขึ้มาบําเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกล้ามาเป็นผู้สังสมกิเลสผิด ก, กับโอวาคัมม์ของพระพุทเจ้าที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาผิดเพื่อให้ตรง ดบบนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอาวาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไมล่าคาราวาัตสอนลงที่หัวใจด้วยการธประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแน่นแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสนี่ถ้าเราเปียนเกี่ยวกับ ถ้าเาวที่สอนนั้นก็เป็นการสังสมกกเรขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของมากไม่สังสมไม่สังสมก็าตามก็คือการสังสมอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรืงสงครามเรื่องวุ่ น, ง, นงว่าไปหมดมันก็อยู่ในปา่าธรรมดาเหมือนกระจนกระแตเหมือดเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านถ้าคิอาคิตย์ทําก็ยังดีกว่าเนีั้นสำคัญอยู่ที่ใจที่คิดถูกหรือผิด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 ไม่ว่าสัตว์นั้นว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกมาแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นหญงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านท่านจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปทั้งก็บอกอาการสายที่อาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัตรูธรรมทั้งนั้นที่เพื่อจะรื้อถอนกิเลสออกจากตัวเองพรณาจะมีความทนันทีทันนานแล้วดูอันไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหวจิตใจก็ปล่อยอุปทานความยึด ม, มั่นถือมั่นทข้ามาโดยลำหนักลำหนัก เนี่ยจะวางไงเมือมันปล่อยวางภาระภาระออกมาด้วยการพิกนี้ปีกนาแล้วทำไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะฟุ้งซ่านไปไหนฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่านด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะฟุ้งซ่านไปทําไมหากับมฟุ้งซ่านไม่มีมีแต่สงบตัวไปเรื่อยๆเย็นสบายอยู่ภายในจิตเนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่เป็นการตอดถอนความพุกความตำนาณพันในจิตใ จ, จออกทั้งนั้น ไม่มีพระอาวัติข้อใดที่จะสั่งสมกิเลสให้สรรโลกได้รับความทุกขานอําบากเลยจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมจาบได้ชอบยิ่งแล้วนิยาณิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นแลจะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์โดยลําดักๆจนถึงถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงพ้นทุกข์หรืพ้นที่ไหนในเวลานี้ทุกอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่มันมาอยู่ที่ไหนทุกที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบขอบ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 มันจะทนไม่ไหวจริงๆหรือฮะท น, นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ที่นี้จะทนต่อไปไม่ได้เหรือทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงมพอทนได้ก็ทนตายหลวงพุทธเจ้าท่านหลงรับสั่งถามพระสาวกว่าเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกสปะเป็นต้นเป็นยังไงกสปะขันธรรมันจบของเธอพออดทนอยู่เหรือน่ะ ท่านถามความสุขความสบายการท่านถามอย่างนั้นนะข้างบริการเป็นไงขันธรรมดาขงเธอพออดทนอยู่บ้างเหนอพวกเราว่าสบายดีเหรอคือถามเรื่องกองทุกมันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสบายดีเหรือทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามงั้นมันฝืนภาระจิตชอบคนสบายเรือเพราะว่ากัากบฝืนว่าอเอาเข้าแปอย่างนั้นทั้งทั้งที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกอยู่ภายในร่างกายน่ะสบายดีเหรอภายใจิตใจทำร้าได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นความทุกข์ที่รุมภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไหนที่เหลือตัวสำคัญสาคัญที่เป็นภายในจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเลนเลนมันอย่างน้อยเลนเลนมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันฮะถ้าบ้างหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้นน่าฟังฮะแล้วก็จนกระทั่งถึงเ ป, ป็นยังไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิหดหายหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสําคัญมันได้ข้ามแล้วยัง ค่ะแล้วเออสวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก่อสวัสดีนี่แหะพระพุทธเจ้าท่านรับสามถามมีพระกสปะเป็นต้นมาเป็นยังไงกสปะขันธบันจบของเธอพออดพอทนอยู่เหรือทำนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังสินันกปราชญ์ท่านตอบกันอู้ยนะ่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนกันไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นเอง ถามความสวัสดีอย่าให้ถามภายในนีเป็นยังไงสบายดีเหนือสบายดีหรือไปไหนยจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่าพยายามรักษาตัวบ้างหรือเปลือหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกแล้วหรือลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบ้างหรือเปลือ้มองรู้เปล่าตัวสาระสำคัญนั้นน่ะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งไปหมดแล้วเหรือ ให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายดีหรือมันถึงเหมาะสมนี่นะารปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามหนึ่งนั้นนะเหมาะสมที่สุดแล้วแล้วพิจารณาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวัลังสกัตตวะพุทธะตนังโอจถังอุตมังวรังสกัตตวะธรรมะตนังโอสถังอุตมังวัลังสกัตตวะสังฆะตนังโอจถังอุตมังวัังพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ เป็นโอสวดเป็นโอสวดอะไรก็แก่ที่เหลือปัญหาอสวกภายในจิตใจของเรานี่เองเนะพุทธภาพแล้วเอาผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดญนี่แหละแก่ธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นภ า, ายจในจิตใจระงับดับโรคความวุ่นวายไปหมดสังฆาผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมนั้นอัศ จ, จรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่นี่ก็เป็นโอสถแต่ละแต่ละอย่างีางแต่ละธรรมชาติคีอเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเรา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 อัญญามัญญาวิโยกาวะเอกิปุตัมมาราตโตแต่อาศัยซึ่งกันแกันแต่เมื่อพูดโดยธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนี่ท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังขาอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสรศิฐอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละแจ้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลาย ที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคามาได้ายในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไปสาระสำคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยนั่นแล้วก็ถึงคําว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี้หรือดังที่ท่านอาจารย์มัน่นปรากฏขึ้นมาว่าไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะอย่างนั้นก็มี คำว่าน้องอ้ออนี้หรือไปเจอน้องอ้ออ้อนี่้หรือถึงแล้วน่องอ้ออ้อนี้หรือธรรมชาติที่หาอยู่แถบลมทถบกายนี่ปรากฏแล้วเหรอนี่อยู่ภายในจิตนี่หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่ยวหาดูน้ององค์น้องอ้อก็มีนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูน่องอ้อที่ท่านจานมั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจออความต้องการของคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินต้องหูจากของเองงัี่ เราก็เลยเกิดความสุดสองเมตรขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังว่าเขาไปหาน้องอ้อที่ท่านจันมั่นท่านเจอว่างนะั้นท่านได้เจอทําอยู่ที่น้องอ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มนิดนึงสลดสองเมนี่ได้ยินด้หูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ได้ถามเราเนี่ยแล้วคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วทั้งๆ ท, ที่มีความสนใจก็จริง เราจะพูดว่าน้องอ้อนี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีน้องอ้อที่ไหนแล้วว่าคําเดียดนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นมันจะเข้าใจคนเราผู้ปฏิบัตินีเราให้พยายามให้เจอหน่องอ้อมีแต่หนองวุ่นหนองวายหมองยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนดื่นนอนนอนน้องอันนี้มันหนองอะไรถ้าคนให้ล่มตกลงมาอีกมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหน่องวายความเดอดร้อนอยู่ทึ่น เราเจอหนองออดบึงออดตรงนี้ภายในจิตใจจะเอาให้หมดอะไรไม่ดีไม่งาม พ, พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้ายาปลอยอยาวางนี่แหละเป็นตัวค่าศึกสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าศึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นค่าศึกต่อเราการพริจารณาขันห้าจริงคือเรื่องบุกเบิ ก, บกทางให้ถึงความวัตถสนิมได้อย่างไม่มีอะไรสงสัยพิจารณาลงไปรูปอยางที่เคยสอนแล้วมันเป็นยังไงกําหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันไหน่ เมธนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขนาดนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นปลอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอนี่ชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงันนั้นเป็นความจริงปัญญาทั้งหลายวิญญาณแต่ละอย่างอันอย่างมันจริงของเขาปรากฏขึ้นมาช่วงขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างไดเลยมิถ้าเราไปให้ความหมายเขาก็หลงเขายุ่งไปหมดเห็นตามความจริงหรือนัง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 มันก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้ว่าเราเป็นของเราเนี่ยรายังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเปนจริงของการอาการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั่นจิตก็เป็นจิตเยอะโ ด, ดยความบรสุทตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใหญ่หายหมดปล่อยภาะระไา้โดยประการทั้งปวงสิ้นสุดพิมุติไม่ต้องไปหาที่ไหนเออ มันติดข้องที่ไหนแก่ที่ติดข้องไปได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ไปอยู่และทุกข์ดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่วความพ้นทุกข์พ้นที่นี่อารักการแสดงธรรมก็เห็นมาสมเกียรติอริปิเพียง